ไม่ว่าเราจะศรัทธาเพยียงใดแต่ถ้าจิตไม่กลอบข้าในตัวเองนั้นจะได้ผลย้อนนึกไปถึงพระสูตรที่สาคัญพระสูตรหนึ่งครับซึ่งนักศึกษาในแวดวงนักศึกษาถือว่าพระสูตรนี้เป็นปฐมกาลของพุทธคือเป็นพระคัมภีร์เหมือนเราก็เป็นเยนในสิคือว่าด้วยการําเนิดของโลกของมนุษยชาติในพระสูตรนั้นเล่า ว, ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าให้ภิกษุฟังว่า แรกเริ่มเดิมทีมนุษย์ไม่มีรูปร่างมนุษย์เป็นอภัสรพรมครับเป็นพรหมซึ่งเป็นแสงสว่างไรรูเป็นแสงเรืองเตรงนี้เราไม่ควรตั้งคติว่าจริงหรือไม่จริงนะครับขึ้นกับความหมายที่ว่าเราจะเอาประโยชน์อย่างไรนะต่อมาก็พรหมอภัอสรพรมเหล่านั้นนะครับไม่มีเพศไม่มีหญิงไม่มีชายอยู่เหนือความเป็นเพศเป็นเพียงแสงสว่างอันประเสริฐ ทฤษฎีนี่น่าสนใจมากนะฮรผมไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ต่อทฤษฎีการกําเนิดของมนุษย์ไปไประมารกลายเปนเกิดจากสารเคมีชนิดหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาอ้างอย่างนั้นนผมคิดว่านี่เป็นความคิดที่อ่อนมากๆชีวิตมันไม่ได้อยในขนาดนั้นต่อมาอาพัชรพลนั้นได้กลิน่นงวนดินครับงวนดินนีี่ทจริงคงําว่างวนเป็นภาษาโบราณงวนคือคําว่าบุญนะครับ ตัวงองูกับวัวแหวนแทนกันได้เจ็ดครั้งอดีตเราเรียกงู ว, ว่าวัวเนเรียกแทนกันได้งัวหรือวัวก็ได้วุ้นดินกินหอมอพสลมก็ลงมาเสวยในสุดล่างก็แข็งแข็งและแตกตัวเป็นสองเพศต่อมาก็ติดรสชาติของดินถ้อยคำเล่าที่เป็นประการน้มหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกมิทเป็นปรำปราระเนนี้มีความหมายลุ่มลึก เราจะจับเวยว่ายังซื่อไม่ได้ครับความหมายลุมลึกของมันก็คือว่าก็แล้วแสงสว่างที่เป็นประเสริฐนั้นในขณะนี้ในเวลานี้ในมองยาวนี้ยังซ่อนแสงอยู่ในตัวเราหรือเปล่ามีเนื้อหาอยู่ตรงนี้ครับนั่นหมายความว่าการภาวนาชั้นสูงสุดนั้นคือการกลับก็สู่แสงสว่างอันประเสริฐในหัวใจเราหรือเปล่า ถ้าใช่นะตรงนี้สนุกคําว่าสนุกหมายถึงว่าการภาวนานั้นไม่ได้เกี่ยวกับการติดตามครูบาอาจารย์หรือติดตามพระพุทธเจ้าไปถึงอินเดียหรือจริงไม่มีแล้วครับตอนนี้มีแต่ซากอีกซากปูณผมมาย่ประมาณยี่เอดปีผมคืนหนึ่งผมเหงาใจนี่เล่าเล่นครับเล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังคือนิสสาขาคือหนึ่งตอนนั้นยังเด็กมากอยู่หอพักเพื่อนก็ไปกันหมดผมอยู่กันเดียวผมเหงาผมร้องไห้เลย ลองให้คิดถึงพระพุทธเจ้านึกในใจว่าท่านอยู่ที่ไหนอยากจะไปหาความคิดแบบเด็กๆนะครับแต่ว่าความคิดแบบเด็กๆเนี่ยแฝงเร้นอยู่ในผู้ใหญ่ครับเรามีเสียงออดอ้อนอะไรบางอย่างเราขี้สงสารตัวเองเมื่อลูกแสดงอาการห่างเหินก็นดีหรือคนรักคนที่รักใคร่กันเฉยเมยเรารู้สึกว้าวเหว่ way. จิตใจงเราทนไม่ไหวเมื่อเพื่อนข้างๆไม่นับถือเราเราอยู่ในโลกเราต้องการสแสวงหาอํานาจสแสวงหายศศักดิ์เพียงเพื่อคนอื่นรับรองเราแล้วเราก็ใช้คนรอบข้างเพื่อเสริมความปรารถนาของเราเราทนแทบไม่ไหวถ้าวันหนึ่งเราพบว่าเรานั่งหนุ่ยเฉยไม่มียศไม่มีศักดิ์ไม่มีอํานาจไม่มีชื่อไม่มีเสียงเราแทบจะบ้าที่จะได้ดังนั้นทุกๆชีวิตนะครับจะมีอาการดิ้นรน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 ผมคิดว่ามีถ้อยคําในบทสวดมนต์ที่กินใจมากที่สุดอันหนึ่งครับสําหรับคนอื่นผมไม่ทราบนะแต่สําหรับผมผมกินใจมากต่อถ้อยคําพิเคราะห์ชีวิตของพระพุทธองค์ที่ท่นานตรัสว่าปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นทุกข์ผมคิดว่าคำที่ตรงมากๆแล้วเราอยากได้อะไรนู่ไม่ได้ก็ทุกข์ท่านั้นนะครับไม่มีอะไรเรื่องราวของมนุษย์เราไม่มีอะไรมากกว่านั้น ครั้งหนึ่งจักรพรรดิพระองค์หนึ่งของจีนนะครับเรียกนักประวัติศาสตร์ล่าสมนักมารับสั่งให้เขียนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินักประวัติศาสตร์ผูนั้นใช้เวลาเดือนหนึ่งแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดีจนจักรพรรดิเรียกให้มาเตือนเรียกมาเตือนในสุดก็เขียนออกเขียนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้เพียงหนึ่งประโยคเขียนว่ามนุษย์เกิดมามีตัณหา ดินรนทนทุกข์แล้วตายจบแล้วครับประศาส์ของมนุษยชาติผมคิดว่านี่ก็อาจเป็นเรื่องจริงก็ได้หรือเรื่องเล่าเพื่อเยาะเย้ยหรือบอกเล่าให้มนุษย์เศร้าว่ามนุษย์เราไม่มีอะไรครับผมเริ่มต้นในชั่วโมงวันหย่ายนี้ว่าครั้งแรกผมได้รับคําตอบจากท่านอาจารย์สวนโมกว่าการปฏิบัติธรรมชั้นสูงสุดนั้นคือไม่เอาอะไรเลยซึผมตกใจมาก พอทุกครั้งที่เราเริ่มชีวิตใหม่เราต้องการอะไรสักอย่างเราเรียกร้องต้องการเ mm hmm. ครื่องหมายของความเป็นผู้ใหญ่มีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับไม่ใช่ผมที่หงอกขาวหนวดเคราที่ขาวหรือผมที่บางศีสะที่ลานเลียนหรือหลังโกงฟันหักหลังงอเครื่องหมายความผู้ใหญ่คือการสิ้นการเรียกร้องต้องการจากโลกและชีวิต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 กับโลกเงินพันล้านนี่ให้ทุกโทษเท่ากันครับความบุญญิดความลืมตัวทัดเทียมกันทั้งนั้นครับไม่ว่าเป็นห้องเต้หรือขอทานดังนั้นเมื่อเราเข้าสู่ศาสนธรรมแล้วนะครับหรือเราเป็นผู้ที่เรียกตัวเองเป็นผู้ฝักใฝ่ในการแสวงหาสันติธรรมประการนี้สําคัญมากของผู้แสวงหาด้านนี้ก็คือความสงบ ผมใช้คำว่าปราการครับผมไม่มองว่าความสงบเป็นประตูแต่ผมถือเป็นปราการทีเดียวเพราะแท้ที่จริงเรื่องความสงบเป็นกลวงเท่านั้นครับคนไม่ได้กรามตามอยากแล้วมันก็สงบครับสังเกตดูให้ดีเมื่อบำบัดความใคร่ความปรารถนาได้ได้แหวนสักวงหนึ่งได้นาฬิกาก็รู้สึกสงบดังนั้นความสงบมีปัญหาอยู่ ม, มากในในความหมายของความสงบ เมื่อเราได้ยินความรู้หรือคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นพระทุดงที่สงกรดทุดงในป่าในดงเสือแดนช้างเมื่อท่านเล่าเรื่องพระอภาวะของจิตเราจะทึ่งตื่นมากครับยิ่งเราไปเจอครูบาอาจารย์ที่สงบแจ่มใสมากๆเรารู้สึกเลื่อมใสและศรัทธาหรือเรานั่งใกล้คนที่สงบเราพรอได้รับความร่มเย็นเรารู้สึกว่าใช่แล้วความสงบต้องเป็นเป้าหมายในชีวิตแน่ แต่จริงหรือครับพ่อวัฒนธรรมนี้เนี่ยวัฒนธรรมการแสวงหาความสงบโดยการสะกดจิตตัวเองให้ดำลึกลงไปในตัวเองปิดหูปิดตาไม่รับรู้ต่อความเป็นจริงภาย น, นอกวัฒนธรรมนี้ดำเนินอยู่ก่อนหน้าพุทธกาลถึง 4,000 ปีครับดังนั้นอาจารย์รุ่นโบราณที่เป็นชาวผู้มีความเข้าใจเจนจับในเรื่องอันนี้ได้เตือนสติแล้วว่าความสงบนั้นเป็นดุดศิลาทับหญ้า ก็จะยินใช่ไหมครับเอาหินทับญ่าย่ากขึ้นไม่ได้แต่พอเอาหินออกเท่านั้นเองมันขึ้นโลดยอดขึ้นมาหนักขึ้นไปอีกสายตาผมเคยเห็นคนที่สงบมากๆหน้าเรื่อมสายหน้านิยมแต่เมือถึงอีกยุคนึงสมัยหนึ่งนี่เป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาเลยครับเราพบว่าความสงบชิ้นั้นเป็นสิ่งกรรมหล่ อ, อครับเป็นสิ่งไม่จริงแท้เนื่องจากเราไม่รับไม่รู้ไม่ที่แอะไรข้าเมเรื่อสงบ เป็นาการเป็นผลพวงของการสะกดจิตตัวเองเท่านั้นเองครับในขณะที่เราหลับตาหลับหูคือไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นจิตมันก็มีอารมณ์เดียวเท่านั้นเองครับเมื่อมันปิดล้อมหมดมันก็สงบแต่ว่าเป็นความสงบอยู่ภายใต้การกดทับภายใต้สมาธิชนิดหนึ่งทีนี้เพราะไม่ได้ทํามันเท่านั้นเองหรือสมาธิอ่อนแรงลงมันก็พลุ่งขึ้นมาอีกแล้วครับ สิ่งนี้กนลวงล่อนี้เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อสมัยเป็นนักพลดเล่ล่อนเพียรพยายามถึงหกปีเต็มๆครับฝ่ายใต้คติความเชื่อเช่นนี้ไปเรียนจากครูสองสององค์นะครับอุทกะอาลาะถ้าสมมุติว่าความสงบเป็นวิถีทางแล้วผมอยากจะถามที่ประชุมครับว่าทำไมพระเจ้าไม่ทำต่อทำไมท่านต้องหนีไปดื้อๆไปแล้วไปบอกครูบาอาจารย์ว่า สิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนนั้นท่านรู้แล้วแต่ว่าท่านค้นพบว่ามันยังอาพาธอยู่อาพาธแล้วมันถ้าภาษาทั่วไปแปลว่าป่วยนะในที่นี้แปลว่ามันยังแคลนคลอนคลอนแคลนเมื่อเราเข้าชานนั่งสมาธินิ่งสงบชีวิตก็เข้าสู่ภาวะสิบแปดประหลาดครับว่ากันว่านักเสพของมึนเมาอธิบายฟังผมไม่กล้ายืนยันเพราะไม่เคยกินแอลเอสดีกันกไปพอๆเข้าชานก็อย่างนั้นนะ นี่คือสิ่งที่เราเตือนนะ ว, ว่าการกระทําสิ่งชั่วคราวเหล่านี้แม้จะดูพิสดารแต่ว่าไม่มีประโยชน์มากมายนะครับมันทําให้เราคํานึงว่าถ้าเช่นนั้นคําสอนของพระเจ้าไม่น่าจะมาเน้นที่ตัวความสงบคำว่าสันติไม่ได้หมายถึงความสงบนะครับสันตินี่มหมายถึงว่าสงบเนื่องจากกิเลสตัณหาอวิชชาดับสิ้นเชิงแล้วนะครับจริงๆคําสันติเป็นชื่อเรียกของนักพรต ซึ่งมักจะเลือกคู่กับสันติมตรีครับเป็นชื่อเรียกนักพรตว่านักพรตต้องมีสันติธรรมและมีไมตรีคือเมตตาจิตต่อสัตว์โลกนะัดังนั้นทำไมเราคำนึงว่าการปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยและยากแต่เท่าที่เราเรียนรู้ปริยัติแล้วรู้สึกมันสิ่งที่ยากมากกว่าคนจะละกิเลส กว่าจะบรรลุฌานขั้นหนึ่งมีมตกวิจารพิธีสุขเอกักตาไหมฉันจะเรียนปริยัติล้วก็จำไม่หมดในด้านภาคปฏิบัตินั้นจะเป็นไปได้อย่างไรครับผมไม่อ้างตัวว่าเคยคุ้นเคยกับวัดวารามนะครับเพราะว่าก็แม้จะท่องที่อยู่ในวัดวารามนานก็จริงแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นนั่งจับงกมันเป็นไปไม่ได้ครับโดยหลักแล้วการ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 หลับตาอยูเพราะขณะที่เราเคลื่อนไหวอินทรีย์ประสาทมันมีความตื่นตัวอยู่ในตัวของของมนุษย์นี่เองนะครับยิ่งไปนั่งนิ่งเข้าเท่าไหร่มันยิ่งจมจมเดี๋ยวก็คำนับครูบาอาจารย์ทันทีคือสรัพย์งงครับดังนั้นหัวข้อครั้งนี้ผมยึงตั้งว่าติดตามรอยบาทพุท ธ, ธขณะที่ล้างชาตเป็นคําพูดจริงๆเลยนะผมไม่ได้พูดเล่นหรือตลกขนองหรือ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 เราไปเริ่มต้นสมัยพุทธกาลไม่ได้แต่เราเริ่มตรงความรู้สึกสดๆที่ปรากฏอยู่รอบๆตัวเราในตัวเรา น, นั่นเองผมใช้คําว่าในตัวเราและรอบๆตัวเรามาด้วยกันเพราะว่าตัวเรากับสิ่งแวนล้อมไม่ได้แบ่งแยกจากกันครับาศาสาทรอบนอกเราสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวรอบตัวครับสิ่งสําคัญมากในการเจริญวิทัศนานั้นก็คือกรอบเข้าไปในตัวเองกรอบเข้าไปสู่ความรู้สึกตัวในทันทีที่คิด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 คทำกลางความฉุกละหูกจอแจของการงานของธุรกิจการงานกิจกรรมแะไรต่างถ้าเราตั้งสติได้มันที่สุดเลยครับว่านั่นคือการภาวนาที่แท้จริงที่คําพูดใช่ว่าปฏิบัติธรรมะง่ายในวัดครับยากที่สุดในบ้านทําไมยากเพราะในบ้านมันมีลูกมีเต่าโยเยอกันอยู่คนนู้นจะ อ, อ่อยนี่คนนี้จะ อ, อ่อยนี่แต่ว่าในความยากนั้นเองครับมันที่สุดถ้าเราตั้งสติขึ้นมาได้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 ชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะครับมันไม่ได้มีชื่อว่ากอขอคองอโกอขอกองเป็นสิ่งสมมุติเรารองเรียกชีวิตชีวิตนั้นเราเห็นด้วยตาเ น, นื้อไม่ได้นะครับอย่างเราเห็นคนเห็นอะไรนี่เราไม่ได้เห็นชีวิตเราเห็นลูกและการเคลื่อนไหวแต่ทั้งๆที่เราเห็นไม่ได้แต่เรารู้สึกได้ครับแต่ต้องรู้สึกที่ตัวเองมันน่าประหลาดมากครับว่าเราคือชีวิต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 เขากำลังคิดและเรื่องที่เขาคิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นอดีต ท, ทั้งสิ้นครับเพราะทุกๆคนมันมีความจำมีประสบการณ์บางคนนั้นเรื่องเกิดเมื่อ20ปีก็ลืมไม่ลงขยันที่จะเก็บมาฟื้นขึ้นมาคล้าวเคลียตัวเองเล่นกบเคี้ยวแล้วให้เศร้าใจเล่นพวเราทุกคนนะครับจะมีความแปลกประหลาดตรงที่ว่า ติดอยู่ในวงจรของอดีตความจําประสบการณ์ก่าแล้วนํามาย่อยใหม่มาฟื้นตัวขึ้นใหม่แล้วแล้วเราเล่าแล้วแล้วเล่าไม่ว่าอดีตนั้นจะขมขื่นหรือรุ่งเรืองเพียงใดเราสลัดไม่หลุดจากอดีตแต่มีสิ่งน่าประหลาดมากครับในขณะที่รถชนกันโครมจะหายไปทันทีอดีตที่กําลังหมุนอยู่ในหัวสมองเราพอเราประสบกับสิ่ง สดและเป็นจริงมากกว่าราดังนั้นช่วงครู่ขณะนั้นเมืม่อเพื่อนเอามือแตะไหลเราก็หลุดออกจากอดีตหลุดออกจากวงจรที่กําลังหมุนติ้วอยู่แต่ชั่วงขณะเดียวครับเพราะการสนทนาจบลงกลับไปแล้วครับประสบการณ์เก่าของเรานั่นเองครับที่จบยึด ต, ตัวเราไวา้ดังนั้นมันพิสูจน์แล้วครับด้วยอํานาจของสมถะการนั่งนิ่งสงบหลุดออกจากอิทธิพลของอดีตไม่ได้ คนคนนั้นยังเป็นคนเดิมครับต่อหน้าตาแจ่มใสขึ้นแต่กิเลสตัณหาเท่าเดิมครับแล้วรุนแรงขึ้นด้วยครับมีข้อจริงบางประการที่ว่าในความสงบนั้นไม่เหมือนกับความเร่าร้อนที่เป็นของกามราคะแต่ลดของการติดยึดความสงบอาจจะรุนแรงกว่านั่นคืออัศมิมานะคนคนไม่มีเรื่องกามแต่ว่ามีความรุนแรงในทิฏฐิมานะ จอดผมคว่านั่นหลุดจากสิ่งหนึ่งเขาไปติดอีกสิ่งหนึ่งซึ่งละยากกว่ายิงกามอารมณ์ไม่กี่ปีเก็เลิกเลยครับดูดูแล้วมัน ร, ร้อร้อนแต่ว่าพิษสงไม่มากแต่ว่าลดความสงบติดยึดอยู่ในอารมณ์หนึ่งนี่ยากที่จะแก้ไขามากผมไม่ได้บอกให้ให้หันไปยึดกามมากกว่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเพียงเแตบเทียวว่ากามนั้นมันมันชวนลหลงไหลอยู่แต่ว่ามันกินช่วงไม่นานนะครับเมื่อวัยผ่านไป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 ความคิดนี่เลยครับที่นำทุกๆสิ่งมาในกระแสของความคิดมีทุกเครื่องครับในขณะที่เรารู้ตัวนั้นขณะที่ความรู้สึกตัวปรากฏตัวขึ้นนะพลังของความรู้สึกสดๆความรู้สึกตัวนั้นจะเข้าไปจัดระเบียบคลื่นสมองเราจะพบการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทัในใดครับดังนั้นการปฏิบัติเช่นนี้นะครับพี่เศีกว่าการเจริญสตินั้น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 ดูเหมือนว่าการศึกษาทั้งหมดเป้าหมายการศึกษาอยู่ตรงการก่อสร้างอุปนิสัยใจคอครับสิ่งนี้ผมคิดว่ามีความสลับสำคัญอยู่ใครสักคนหนึ่งออกบวชมา20 30ปีแต่ไม่อาจสร้างอุปนิสัยแห่งความเป็นพระภิกษุได้การบวชนั้นล้มเหลวครับสองวันนี้มีคนหวังดีผมคนหนึ่ง เอามอติร์ไซค์คันเบอเอร์มาทิ้งไว้ที่บ้านเขาสงสารว่าผมไม่ไม่มีรถออกไปซื้อกุดข้าวผมก็เห็นดีอยู่เพราะช่วงที่ไม่มีก็พยายามสร้างอุปัติสัยแล้วก็ล้มเหลวครับผมสร้างอุบัิสัยรถมอเตอไซไม่ได้เรียกว่าล้มเหลวในการที่สร้างอุบัิสัยในความรักในการครองคู่ครองเรือนนะครับสิ่งสําคัญไม่ใช่ตัวความรักแต่เป็นการสร้างอุปัิสัยร่วมกันสําเร็จหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่สาคัญมากครับ คนโบราณเขาไม่มีคติเรื่องความรักความไข่มากมายนะบางทีไม่รู้จักกันเลยนี่เราเรียกคุมถุงช น, นนะครับแต่เขาบรรลคุความสมเรตุตรงสร้างอุปนิสัยร่วมกันได้ดังนั้นการสร้างอุปนิสัยดูเหมือนเป็นเป้าหมายของการศึกษาถ้าเป็นทฤษฎีคติธรรมโบราณนะครับถือว่าการเจริญสตินั้นขึ้นกับอุปนิสัยที่สั่งสมมาแล้วแต่ชาติปางก่อน นั้นเราพบความแปลกประหลาดรอบบางคนนี่อายุเขน้อยนีดเดียครับแต่สติก็ดีมากแล้วเขามาสร้างเสริมอุปนิสัยเติมเข้าไปเท่านั้นเองในทสุดอุปนิสัยเก่าก็สมทบกับอุปนิสัยใหม่เช่นการพบครูบาอาจารย์เข้าเขาก็ฟื้นอุปนิสัยเก่าที่ดีงามนั้นได้ผมเชื่อว่าทุกคนมีอุปนิสัยที่ดีงามถ้าว่าไม่ถูกกระทําร้ายมากนักตอนเด็ก แท้ที่จริงจิต ใ, ใจของเราในทุกวันนี้นั้นสืบสานเนื้อหาสาระเดิมมาจากเด็กๆเมื่อแม่คลอดเรามานะครับแม่คลอดเจ้าตัวน้อยคือความรู้สึกตัวก้อนเนื้อซึ่งมีชีวิตและรู้สึกตัวได้ต่อมาเมื่ออวัยวะเซลล์ต่างเติบโตขึ้นเขาก็เรียนรู้ภาษาเรียนรู้ที่จะแยกแยะสิ่งสมมุติต่างๆค่อยๆลืมความรู้สึกตัวอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต ค่อยๆเข้าไปสู่โลกของการแบ่งแยกโลกของภาษาเหมือนเราเรียกต้นนี้ต้นมะพร้าวเราเรียกมะพร้าวเพื่อแยกจากต้นตาลดังนั้นเด็กน้อยคนนั้นก็เฉลียวฉลาดขึ้นในโลกสมมติในสุดปัญหาก็เกิดขึ้นตามมาในท่ามกลางความก้าวหน้าของสมองระหว่างสมองกับหัวใจนั้นต่างกันครับสมองคิดแยกแยะระยะทางใกล้ไกลเหมือน ถ้าเราถามเดี๋ยวนี้แล้วแก่มากไหมเราใช้สมองคิดได้ว่าอายุมากอยู่ในโลกนี้มานานแต่ถ้าเราถามไปทางหัวใจเราพบว่าหัวใจมันเหมือนเดิมความรู้สึกตัวเท่าเดิมความรู้สึกตัวมันไม่มันไม่มีอายุครับแต่ว่าสังขารร่างกายมีดังนั้นแบบ น, นี้เรามีสองส่วนคือความรู้สึกกับความคิดซึ่งเป็นการงานของสมอง สองสิ่งนี้นะครับถ้าคนที่ชอบเข้าในความคิดมากๆจะรู้สึกตัวได้น้อยสังเกต ด, ดูคนที่เพอ้อฝันมากๆก็ไม่รู้สึกตัวและในที่สุดก็เกิดปัญหาหนักหน่วงขนในชีวิตเพอ้อพกและเพอ้อฝันส่วนใหญ่นะครับเขาไม่ใช่กแกล้งว่าพวกผู้สนใจศาสนาเนี่ยเพอ้อฝันนิกว่าคล้ายๆหมดเพราะว่าเรื่องศาสนธรรมเป็นเรื่องที่ที่ละเอียดอ่อนนะครับแต่แล้วในเรื่องชีวิตนั้น ความรู้สึกตัวที่ตรงๆชัดๆจะเป็นสาระที่สำคัญมากเมื่อเราจับความรู้สึกสดๆได้เราก็เข้าถึงรากฐานของชีวิตเมื่อเราจับความรู้สึกสดๆได้แต่ถ้าถามผมว่าทำยังไงถึงจะงจับได้ในเมื่อเราอยู่ในความคิดอันนี้เป็ น, นอีกตอนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมีหลายขั้นตอนมากที่เราจะย้อนกลับมาสู่เนื้อหาสาระของ ก, การดำรงอยู่ทุกวันนี้ การลงอยู่ของเรามักจะขึ้นกับอดีตหรืออนาคตที่จริงอนาคตมันเป็นสิ่งเป็นอดีตที่ยื่นไปนะครับผมอาจจะพูดให้คิดเล่นแบบพิสดารนะครับว่าถ้าเรานั่งอยู่ที่นี่คืนนี้ทั้งคืนนี้เราพบว่าพรุ่งนี้ยื่นไปอวันเลื่อนไปอวันหนึ่งเชสีย ไ, ไหมครับว่าพรุ่งนี้เราจะไล่พรุ่งนี้ไม่ทัน ดังนั้นคำวาพรุ่งนี้กับสัตวัดหน้านี่ความหมายเท่ากันครับ น, นึกออกไหยครับว่าสมมติเราคิดว่าชั่วโมงข้างหน้ากับสัตวรรษหน้านี่ผลเท่ากันคือมันยังไม่เกิดแต่เราก็คาดคิดไปที่จริงอดีตก็เหมือนกันครับพระสารพระท่านบอกว่าอดีตล่วงไปแล้วไม่ควรอะไรอววรเป็นทําปลอกกระโลมอนาคตยังมาไม่ถึงไม่ควรกังวล เห็นธรรมะในปัจจุบันอยู่หลัดหลัดคือเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้สึกตัวเราจะมาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วเห็นปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับว่าปีหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งเรามักจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเพราะว่าเราอยู่ในห้วงความคิดเราจะลักลูกมากเพียงที่สร้างฐานะหลักประกันมั่นคงโดยเรามไม่รู้สึกตัวเลยครับ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 เราเข้าไปเป็นส่วนเซี่ยวกังมันมันควบคุมเราแต่ใ น, นขณะที่เราหลุดออจากความคิดความคิดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรานั้นความเต็มตัวจะครอบครองเนื้อที่ในสุดนะครับการปฏิบัติธรรมที่เรามักจะเรียกกันว่าชั้นสูงนั้นไม่ใช่การเข้าป่าทุดดงทรงกรดนั่งหลับตาเข้าชานหนึ่งานสองฌานสามดังนั้นเป็นเทคนิคพิเศษเป็นวิธีทางพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับ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 สงบแบบรู้ตัวนี้เป็นสงบภายใต้ฐานการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง